มารบวชมีสองอย่างบวดกายหนึ่งบวดใจหนึ่งบวดกายนั้นได้แก่สำรวมในสินให้บริสุทธิ์ไม่พอพืชช่วงในสินสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ด อย่ารู้สำมรวมระมัดระวังด้วยดีเช่นนี้ได้ชื่อว่าบวดกายกายบริสุทธิ์ประจามบริสุทธิ์และนี่บวดใจบวดใจนั่นพยายามฝึกผนจิตใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอย่าให้มันเอียงไปด้วยอำนาจของกิเลส ตัญหาเรียวรวดใจเพราะความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพุทธบริษัตท เ, เพื่อให้จิตปล่อยจิตวางไม่ยึดไม่ถืออะไรในโลกนี้อันนี้ความมุ่งหมายอย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ลองพากันพิจารณาดูคําสอนของพระองค์นะถ้าถ้าเราพูดเอาโดยรวบลัดตัดเอาใจใจความกระส่งทรงสั่งสอนให้ละสิ่งที่ควรละอทรงสั่งสอนให้กระทําสิ่งที่ควรกระทําทรงสั่งสอนให้ชําระจิตใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสนี่ถ้าเธอเอาใจใจความ เรียกว่าความประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นก็เพื่อมุ่งอย่างนี้โดยตรงธรรมายังสอนให้ละสิ่งที่ควรละเพราะในจิตใจของคนเราเนี่ยมันมีทั้งชั่วทั้งดีผลเปรกันโยอันพระพุทธเจ้าและพระองค์สอนให้คนเรากรวดดูตนเองว่า มันมีความชั่วอะไรบ้างแฝงอยู่ในจิตใจนี้ความชั่วมันก็มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นอย่างนั้นวันนี้ทุกคนต้องตรวจ ด, ดูจิตใจของตัวเองว่าตนเอง ม, มันมีความชั่วขั้นไหนอยู่ในใจความชั่วอย่างไรที่ตนละได้แล้ว อย่างใดที่ตนยังละไม่ได้อันนี้้วเป็นหน้าที่ของกุทธสาสนิกชนทั้งหลายจะพึงพิจารณาตัวเองไม่เช่นนั้นมันก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจนี้ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ ส่งสอนให้ละกิเลสอย่างงาบนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเราละกิเลสอย่างงาบยังไม่ได้จะไปลากิเลสอย่างละเอียดแต่มันเป็นมันไม่ได้เลยอมืมันไม่ได้เหตุนั้น่กิเลสอย่างงาบนี่น่ะมันทําให้คนเราทําบากร่วงศีลร่วงธรรมร่วงวิในก่ออาศัยกิเลสอย่างงาบนี่ กิเลอย่างยามนี่ท่าถ้านั่นก็ท่านกะแบ่งไว้สองหมวดราคะหนึ่งโทตะหนึ่งโมหะหนึ่งอีกวดหนึง่งอ่ะความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งนี่มันมีอยู่สองหมวดอย่างนี้ทีนี้มันก็มีความหมายแตกต่างกันอยู่ราคะนั่นได้ก่ความกหนัดอินดี ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลภนั่นได้แก่ความเพ่งเล็งอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตเ น, นี่ยมีความหมายต่างกันอย่างนี้อันโทสะนั่นหมายความว่ามันรุนแรงมากจนว่าคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นได้เลยวะเนี่ย ส่วนความโกรธนั้นเป็นความเริ่มต้นฉุนเฉียวไม่พอใจให้บุคคลให้สัตว์หรืออะไรต่ออะไรขึ้นมานนเนยท่านเมื่อยับยั้งกิเลสคือความโกรดนี้ไม่ได้ปล่อยให้มันลุกลามมากเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นโทสะพยาบาทไปคิดที่จะลงมือประหัตประหาร คนอื่นและสัตว์อื่นได้มันเป็นยังไงเรื่องกิเลสเนี่ยมันที่พระ อ, องค์เจ้าแสดงว่าเป็นสองหมวดเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้อ่ที่โมหะความหลงอันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่แปกกันเท่าไหร่เพความหลงนี่แปลว่าความไม่รู้จริงตามความไม่จริง อความจริงในเรื่องนี้มันมีอย่างนี้แต่ไม่รู้มันไปรู้ว่าเป็นอย่างอื่นไปนน่มอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าทําอย่างนี้มันเป็นบาปอย่างนี้มันก็รู้ว่าไม่ไม่เป็นบาปอืไม่เป็นโทษอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่ามันหลงมันไม่รู้จริงนะทําอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลแต่นี่มันก็เห็นว่าไม่ใช่ ทำอย่างนี้ไม่ใช่บุญกุศลไม่ไม่ได้เป็นบุญกุศลอะไรอย่างนี้เช่นยาวาการให้ทานอย่างนี้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลพวกที่มีความเห็นผิดต่างๆนะั้วเขาผลมีเห็นอีกเป็นหนึ่งว่าให้ทานไม่มีผลอืมอย่างนี้แหละเหมือนอย่างทำพาสิตเขาเล่ากันมา ทำบุญเสียเปล่าไว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินนี่ความเห็นของคนบางพวกเป็นอย่างนี้นะนั่นแหละไหวเจ้านั่นเอาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่อะไรไปใส่ถาดไปวางใส่แท่นวางใส่สานเจ้านั่นแล้วก็เชื้อเชิญเรียกร้องให้เจ้าที่เจ้าทางนั้นมากินเสีย คอยอยู่สักคู่หนึ่งแล้วก็คณีว่าเพื่อนจะกินอิ่มแล้วก็ไปยกเอาถาดเนื้อสัตว์เหล่านั้นไปไปกินกันสนุกั น, นานอันนี้แหละเขาเรียกว่าทำบุญเสียเปล่าให้ผู้อื่นไปหมดไปเสียเปล่าอ่ะไหวเจ้ายังยังได้กินเนะี่ย ความเห็นของคนเราันเองคือความหลงมาขอบงำจิตใจแล้วไม่หวนคำนึงถึงว่าอันตนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วต้มเอาไปเช่นบรรพบุรุษไปวงสวงเทวดาอารักษ์คนนันนะไม่นึกว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอะไรเลยอนันเป็นงั้นทีนี้ในพุทธศาสนาเ้าเห็นว่าเป็นบาปการไปทำลายชีวิตของสัตว์เป็นบาป แล้วการไปบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์่วานั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรในพุทธศาสนานะมองเห็นแล้วแม้ว่าจะได้กินเนื้ออาหารที่ระบวงสวงเทวอารักษ์นั้นมันมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะเพราะตามปกติมนุษย์เราก็กินอาหารอยู่แล้วนี่ ไม่ได้กินอาหารบวงสรวงก็ต้องหากินอย่างอื่นไปก็อย่างนี้แหละไม่เห็นแตกต่างอะไรกันอย่างที่แสดงลักษณะความหลงสูง่การฟังเป็นอย่างนี้แม้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นผู้ที่หลงหนักๆเข้าไปก็หลงว่า โลกหน้าไม่มีมีแต่โลกนี้เท่านั้นมเมื่อโลกหน้าไม่มีก็แสดงว่าบุญบาปไม่มีไม่มีใครไปเสวยผลของบุญของบาปเลยเพราะโลกหน้ามันไม่มี อ, มอย่างนี้แต่มันขัดต่อเหตุผลแบบ น, นี้ดัะนั้นพระกุมารและกะตัตตปะยังถามย้อนถามพระยาประยาสีที่มีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มี นโลกสวรรค์ไม่มีอะไรอย่างนี้นะเมื่อพระคุ ม, มาแล้วก็สะพยย้อนถามมาอันพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวโคจร อ, อยู่ท้องฟ้านะนะั่นเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาพยาพยาศีก็จนมุมแบนี้นะนั่นเลยท่านจะตอบว่าโลกนี้มันจะอยู่นู่นที่ฝากฟ้านัน่นแบบนี้นั่นเลย ทันทีตอบว่าโลกหน้าก็แค่พระกุมาราคตปะเข้าไปนีอะไรทันทีตอบว่าไม่ใช่เทวุเทวดาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอีกอืมเพราะว่ามันถึงเคลื่อนไหวไปได้อย่างนั้นนะมันต้องมีมันต้องมีอนุภาพอะไรอันหนึ่งนําให้เคลื่อนไหวไปได้อืมือนไปอย่างนั้นดังนั้นน่ะ พยาพยาศีจึงได้เรียนถามท่านพระกุมาราสษาว่าขอให้ท่านตั้งปัญหาถามมาใหม่ท่านก็ตัานถามดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์ดวงดาวที่โครจร อ, อยู่ท้องฟ้าเป็นโลกหน้าหรือโลกนี้อะโลกหน้าเป็นมนุษย์หรือเทวดา เป็นเทวดาอย่างนั้นนะทดลองว่าพยาพยาศิก็พ่ายแพ้ต่อพระกุมารละกัตตปะท่านจึงแนะนําพระยาพยาสิให้ละความเห็นอันที่เห็นผิดไปจากความเป็จริงนั่นเสียในที่สุดพยาพยาสิก็ยอมก็เห็นตามที่พระกุมารกัสตปะท่านแสดง ถึงกรรมถึงผลของกรรมว่าสัตว์ทางหลายมีกรรมเป็ของตนสัตว์ทางหลายย่อมได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทานั้นนั้นอ อ, อย่างนี้แหละเรื่องความหลงอันนี้นะวันนี้เมื่อพูดมาหลงเอาใกล้ๆนี่วันนี้ก็มาหลงอยู่ในขันห้าธาตุตีอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็หวงกัน เต็มที่เลยใครจะมาตําหนิตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้โกรธอืมอย่างงี้แหละกระตกทุกข์ได้ยากอะไรหน่อยหนึ่งก็โศกเศร้าเสียใจกลัวล่มกลัวตายอืมค้าขายขาดทุนก็เสียใจอย่างงี้แหละไฟไม่น้ําท่วมก็เสียใจ อะไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องโศกทั้งนั้นไอความถือตัวถือตนถือเราถือเขาอ่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านผู้ละความถือมั่นในขันห้านี่ลงได้แล้วท่านไม่เป็นทุกข์แม่ไฟจะไม่บ้านพอดลงไปหมดก็ตามต้งแต่ขันห้ายังไม่ใช่ของตนล่ะไอบ้านเรือนอาการจะเป็นของตนมาแต่ไหนท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านก็ไม่โศกเศร้าเสียใจอะไร มันต่างกันอย่างนี้นะที่ให้เห็นว่าในระหว่างความยึดถือกับความไม่ยึดถือเนี่ยความยึดถือน่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างมหันเลยความไม่ยึดถือเน่มันเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสงบความเย็นใจไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอยู่ภายในจิตใจนั้นเลยอะไรจะวิบัติแพ่พันไปยังไงไม่จะร่างกายสังขารนี่ มันจะวิบัติแปรผันไปยังไงจิตนี่มันก็ไม่หวั่นไหวมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายมันจะสะดุ้งทำไมนะเพราะว่าเราเห็นแจ้งโดยปัญญาอันยิ่งอยู่แล้วว่าขันห้าไม่ใจตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง ก็เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยตรายลักคนายานอยู่อย่างนี้มันจะไปเศร้าโศกเสียใจทําไมอ่ะ น, นั่นเนี่ยเขาบุคคลผู้มีญาณความรู้เป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วก็ไมายความว่ามีที่พึ่งแล้วอเมื่อมีที่พึ่งอย่างนั้นโดยเฉพาะจิตใจโดยตรงแล้วอย่างนี้นะขันหานี้ เมื่อเวลายังบุญกุศลอยังหล่อเลี้ยงรักษาอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับจิตของท่านผู้รู้ทางหลายท่านก็อาศัยอยู่สักแต่ว่าอาศัยไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราแต่อย่างใดไม่ยินดีในเวลาร่างกายนี้มันสบายไม่ยินร้ายในเวลาร่างกายนี้มันวิบัติท่านผู้รู้ทางหลายท่านอยู่ ในอาศัยอยู่ร่างกายอันนี้ท่าก็ไม่ติดอยู่ในร่างกายอันนี้เหมือนกับใบบัวกับน้ำแม่ใบบัวจะแช่อยู่ในน้ำแต่น้ำก็ไม่สามารถจะซึมซาบเข้าสู่ใบบัวได้ฉันใดมุนีผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ทักแต่ว่ารู้เท่านั้นแหละอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมา ทางตาทางหูทางแก้มูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้นี่ก็สักแต่ว่าทั้งนั้นะอารมณ์ใดๆที่น่ายินดีเย็นร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นสักแ ต, วก ต, ว ต, ญญต่ว่าอสักแต่ว่าสมมุติวัญญัติว่าเอาเฉยๆว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสว่าดินน้ำไฟลมหมู่นี้นะก็สักแต่ว่าทั้งนั้น่ะ ว่าสมมติเอวิเศษแต่เนื้อแท้แล้วไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีของเขาของเราอะไรเลยท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นอย่างนี้โดยเจีมแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะเหตุนั้นท่านจึงละความสะดุ้งหวาดกลัวต่ออาจจาคือความตายท่านจึงไม่หวนไหวต่อความทุกข์ในสังขาร น, นามรูปอันนี้เพราะว่า จิตใจงท่านไม่เป็นทุกข์เพราะท่านลา ก, กิเลเส็จแล้วอันร่างกายนี่แม้ว่าโดงจิ จ, จะละ ก, กิเลสให้หมดสิ้นไปยังไงยังไงมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงมันวิบัติแปลปรนไปอยู่อย่างนั้นลักษณะอาการที่มันแปลปรวนไปนั่นแหละคือคือคือทุกขลักษณะแปลว่าลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกาย แต่ถ้าหยิบยกกิตนี้ออกไปแล้วมันไม่มีผู้รู้ผู้สัมผัสมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยทีนี้มันก็ไม่มีเจ็บไม่มีปวดแต่ลักษณะอาการใกความทุกข์มันถึงมีคือความทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นั้นเปื่อยเน่าผุพังไปอะไรโเนียนี่แหละลักษณะความทุกข์ของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี่แม้จะมีไม่มีวิญญาณคอง เช่นต้นไม้ใบหญ้า ก, ก็เหมือนกันนะถึงเราดูการมาแล้วใบมันก็เหลืองเมื่อพว่มมันเอาแล้วมันก็ลมพัดมาก็หล่นลงเออไปกองอยู่พื้นดินนั้นอย่างนี้นะนั่นแหละอ น, นิจจารักษณะลักษณะความไม่เที่ยงของสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณคลองทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้ ใบไม้มันทนอยู่ที่กิ่งของมันไม่ได้นั่นแหละลักษณะความทุกข์การที่บังคับให้ใบไม้นี่มันมั่นคงถาวรอยู่ในกิ่งของมันตลอดไปไม่ให้มันร่วงมันหล่นไม่ได้เลยนั่นแหละลักษณะของอนัตตาของสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองอันนั้นเป็นแต่ลักษณะอาการเฉยๆขาไม่มีวิญญาณผู้รับรู้ แต่ร่างกายของมนุษย์รัตงกทั้งหลายนี่มันมีจิตวิญญารับรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้ทุกระยะไปเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นทุกข์คือดวงจิตอ่แม้จะรู้เท่าอย่างไงมันก็ยังรู้สึกทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ถ้าว่ามันไม่วันไหวต่อทุกข์นั้นเท่านั้นเองอ่ะมันรู้แจ้งแล้วนะ อันรู้แจ้งแล้วว่าจะไม่ให้มันมีทุกไปสัมผัสกับจิตใ จ, จเฉยๆไม่ได้มีแต่ท่านผู้เข้าในโรกสมาบัติได้เท่านั้นแหละความทุกข์ความสุขอะไรไม่ไปสัมผัสกับดวงจิตของท่านเลยอันนั้นนะถ้าท่านออกจากในโรกสมาบัติมาแล้วก็มาสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายทั้งปวงเหมือนกันนะพูดง่ายว่ามาสัมผัสกับความทุข ค, ความทุกขของร่างกายสังขาร น, นี่เหมือนกัน แต่ว่าจิตของท่านไม่วันไหวเพราะท่านรู้เท่าท่านปรงท่านวางขันห้านี้ลงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพวกเราก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าภิกษุสามนเณนรอุบาสกวาสวาิกานี่ต่างคนก็ต่างเห็นเรื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เหตุว่าพุทธศาสนาในประกาศความจริงไม่เอาเรื่องเท็จอะไรมาหลอกลวงคนเลยปัญญาชนทั้งหลายได้ฟังได้คิดได้พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยอมยอมรับรองว่าประกาศความจริงแท้แท้เหตุดังนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในคำสอนอย่างนั้นก็พยายามปฏิบัติไปตามนี้ สรุปใจความเลยว่าทรงสอนให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นเองเริ่มจากการให้ทานการรักษาสินการภาวนาเพื่อละความยึดมั่นในความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นในราคะในโทสะในโมหะในอวิชชาตัณหาต่างๆพวกนี้นะให้สอน ใช้ปัญญาสอนจิตให้ละความยึดมั่นเหล่านี้ไปเรื่อยๆให้มันเบาบางไปเรื่อยๆอ่าอย่างนี้เล้ยวก็จะได้บรรลุถึงขึ้งความสุขอันสงบสงบในทางวมพุทสศาสนาโดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้